ตอนบวงสวงฉันเพิ่งทราบว่าก่อนที่จะทำน้ำมนตและแจกรูปเจ้าแม่กวนอิมนั้นต้องทำพิธีบวงสวงบูชาเจ้าแม่กวนอิมโดยท่านอาจารย์สีอ่องได้เป็นผู้อัญเชิญดวงพระวิญญาณทิพย์ของเจ้าแม่ลงมาเป็นองค์ประธานในพิธีโดยมีตัวฉันเป็นตัวแทนเจ้าแม่เข้าในพิธีจะเรียกว่าตัวแทนก็ไม่เชิงแต่เป็นคนที่จะต้องสวดและทาพิธีบวงสวง เผากระดาษเงินกระดาษทองถวายเครื่องสักการะอาหารทุกชนิดเรียกว่าต้องทําทุกอย่างเองหมดโดยท่านสีอ่องเป็นผู้นำให้ฉันพูดและสวดตามเท่านั้นในพิธีฉันจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้เอาสายสินไปวงจากรูปเจ้าแม่กวนอิมและนำมาวนที่อ่างน้ำมนต์ซึ่งมีองค์เจ้าแม่อัมพันธ์ทองแช่อยู่แค่พระศอแล้ววนไปที่อาหารทุกชนิด แล้วจึงนำสายศิล น, นั้นมาครองที่ตัวฉันหางสายศิลป์ต่อจากฉันก็นำไปให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีให้จับไว้ต่อๆกันจนครบคนซึ่งมีผู้มาร่วมในพิธีประมาณ30สบกว่าคนได้ขณะที่ท่านอาจารย์สีอ่องทําพิธีบวงสวงอัญเชิญดวงพระวิญญาณทิพย์ของเจ้าแม่นั้นฉันไม่เห็นองค์ท่านลงมาแต่ต้องมีวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธ์มาร่วมในพิธีแน่ๆ เพราะฉันรู้สึกมืนศีรษะไปหมดซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับฉันทุกครั้งที่มีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธ์มาอยู่ใกลๆอาการนี้ฉันเป็นมานานแล้วจนสามารถรู้ได้ทีเดียวว่าขณะนั้นมีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธ์มาอยู่ในบริเวณนั้นแล้วถ้ามากองก็มืนมากจนจะหน้ามืดไปก็เคยเป็นน้ำมนต์ที่ได้ทำในวันบวงสวงนี้ถือว่าเป็นหัวน้ำมนต์ทีเดียว ถ้าใครได้ไปจะเป็นลาบอันประเสริฐอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้ดังอธิษฐานแต่ต้องขึ้นอยู่กับจิตของผู้อธิษฐานด้วยว่าเลื่อมใสศรัทธาจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าอธิษฐานไปอย่างนั้นซึ่งผลจะไม่ปรากฏให้ท่านเห็นแน่นอนสำหรับหัวน้ำมนต์ น, นี้ฉันได้ตักใส่ถุงพลาสติกไว้มากพอสมควรเมื่อหมดแล้วก็จะได้น้ำมนที่สร้างใหม่โดยองค์ท่านอัมพันธ์ทอง แต่พ้นของความศักดิ์สิทธิ์นั้นฉันก็เชื่อว่าจะไม่ผิดแปลกไปจากหัวน้ำมนตและความศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะปรากฏให้ท่านได้ประจักษ์ถ้าจิตของผู้อธิษฐานตั้งจิตบูชาและเลื่อมใสท่านอย่างแท้จริงน้ำมนนี้จะได้ไปพร้อมรูปถ่ายเจ้าแม่กวนอิมด้วยเพื่อให้นําไปกราบไหว้บูชาถ้าท่านจะนําติดตัวไว้กับท่านก็จะมีขนาดเล็กสําหรับพกอยู่กับตัวได้แต่ถ้าจะนําไปตั้งบูชา ก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยเตรียมไว้แต่อย่าลืมแจ้งไปก่อนตามที่เรียนไว้ต้นๆจะสะดวกกับท่านมากกว่าจบตอนบวงสวงต่อไปเป็นตอนเท้ามหาพรหมเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณพศ2514ก็ประมาณ15ปีมาแล้วระยะนั้นมีคนที่เดือดร้อนเรื่องการเงินมาหาฉันมาก โดยมากจะเป็นพวกที่มีโครงการก่อสร้างใหญ่ๆนับสิบสิบล้านขึ้นไปทั้งนั้นฉันเป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยกลายเป็นคนกลางประสานงานคือการจัดแหล่งเงินกู้ให้กับผู้ที่ฉันวิเคราะห์โครงการดูแลว้วว่าสามารถทำได้จึงจะช่วยโดยมากฉันจะต้องไปทำการตรวจทำเลที่จะทำการก่อสร้างพิจารณาแบบบ้านและแบบก่อสร้าง วัสดุในการใช้ก่อสร้างซึ่งฉันชำนาญพอตัวเนื่องจากต้นสาวๆปลูกบ้านทุกเดือนเก้าเรียกว่าปีละหลังก็ว่าได้และสำคัญที่สุดคือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องเป็นคนที่มีหลักฐานดีพอสมควรและไม่เคยเสียชื่อในเรื่องการเงินและเป็นคนที่ทำงานจริงฉันจึงจะจัดเงินให้ซึ่งส่วนมากก็จะประสบความสาเร็จแทบทุกไลนที่ฉันเลือก ในบรรดาลูกค้านี้มีอยู่รายหนึ่งต้องการเงินยี่สิบสองล้านเพื่อไปจัดสรรปลูกบ้านขายแถวถนนเพชรบุรีฉันวิเคราะห์ทุกอย่างดังกล่าวแล้วก็จัดเงินให้อยู่ต่อมาเจ้าของโครงการก็หายหน้าไปเฉยๆไม่ยอมมาทําสัญญากู้กับบริษัทฉันตามหาตัวก็ไม่ยอมให้พบฉันรู้สึกเสียหน้าเป็นอันมากเพราะทางผู้จัดการบริษัทการเงินก็ถามมาเรื่อยว่ายังไง ทางบริษัทอนุมัติเงินกู้ให้ตามจำนวนที่เสนอขอแล้วแล้วทำไมไม่ไปทำสัญญาฉันรู้สึกวุ่นวายใจมากแทบจะจนปัญญาก็เกิดเสียงมาบอกที่หูว่านี่จะบอกให้คนที่จะกู้เงินนี่นะ่ะเป็นลูกศิษย์ของท่านเท้ามาหาพรหมองประกาศิตย์จุดทูบถึงท่านเท้าเข้าสี่แล้วก็จะสำเร็จเองฉันเกิดมาก็ไม่เคยรู้หรือได้ยินว่ามีท่านเท้ามาหาพรมอะไรบ้าง ที่รู้จักที่ได้เห็นก็มีที่โรงแรมเอราวันองค์เดียวแต่ก็จำต้องเชื่อและทำตามฉันจุดธูปสิอดดอกตามสั่งแล้วก็อธิษฐานฟ้องท่านเท้ า, ท า, ทามหาพรมองค์ประกาศสิทธว่าฉันชื่ออะไรได้ทำการช่วยเหลือลูกศิษย์ของท่านชื่ออะไรจนสำเร็จแล้วแต่ทำไมเขาจึงไม่มาทำสัญญาให้เรียบร้อยทาให้ฉันเสียหายมากเพราะทางบริษัทเขาเชื่อถือฉันมาก ถ้าท่านเท um really. ้ามหาพรหมองค์ประกาศสิทธิ์มีจริงก็ขอจงแสดงปาฏิหาริย์ลงโทษสิทธิ์ของท่านให้ประจักษ์หรือไม่ก็ดนใจให้เขารีบมาทำสัญญากู้เงินเสียโดยเร็วภายในสามวันเจ็ดวันมิฉะนั้นฉันจะไม่เชื่อว่าท่านมีตัวตนและศักดิ์สิทธิ์จริงวันที่ฉันจุดทู่เป็นวันที่24มิถุนายนฉันจาได้เพราะจดไว้ที่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้ง พอวันที่29ก็มีโทรศัพท์ของลูกค้าคนนี้โทรมาฉันยังจำได้ว่าเขาบอกผมต่อถึงคุณน้าเกือบ3าสิบครั้งแล้วนะครับถึงได้ติดโทรศัพท์ของคุณน้าไม่ว่างเลยฉันก็ตอบไปว่าอ้าวคุณเองหรือมีอะไรอีกล่ะถ้าจะให้ช่วยอะไรละก็ไม่เอาแล้วนะคุณทำน้าเสียหายมากเขากลับตอบว่าขอประทานโทษเถิดครับที่ผมหายไปนั้นผมกาลังจะไปกู้เงินทางอื่น แต่ผมถูกบังคับให้มากู้ทางคุณนะเขาไม่ได้บอกว่าใครบังคับเขาผมจึงขอรบกวนคุณนะให้ช่วยติดต่อบริษัททีว่าผมพร้อมจะเซ็นสัญญาแล้วจะให้ไปเมื่อไหร่ผมจะไปทันทีตอนนั้นพอได้ยินอย่างนี้ฉันรู้สึกงงเพราะแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าได้ยินดังนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆรรู้สึกว่ารอบๆตัวฉันนี่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือทุกครั้งที่เกิดปัญหาในที่สุดฉันก็จัดการให้ลูกค้าได้เซ็นสัญญากู้ไปเรียบร้อยในวันอังคารต่อมาอยู่มาวันหนึ่งลูกค้าคนนี้มาหาหลังจากเซ็นสัญญาไปไม่นานเขาบอกว่าวันพฤหัสนี้จะขอเชิญให้ไปที่บ้านหน่อยมีผู้ต้องการพบเขาจะไปรอที่บ้านผมผมจะมารับคุณนะเวลา9้านาฬิกา พอถึงวันนัดเขาก็มารับเมื่อไปถึงบ้านแล้วครั้งแรกฉันยังนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกสักครู่พี่สาวเขาก็เข้ามาไหว้ฉันแล้วแนะนำตัวว่าเป็นพี่สาวของลูกค้าคนนี้และบอกว่าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยเพราะเป็นเรื่องประหลาดเขาเล่าว่าที่หายไปเป็นเดือนไม่ติดต่อคุณนะเพราะไม่ชอบผู้จัดการบริษัทที่คุณน้ติดต่อให้กาลังติดต่อกับรายอื่นก็ได้แล้วเหมือนกัน แต่จูจูหน้องชายก็เกิดมีอาการคล้ายคนทรงขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเจ้าสองคนนี่เหลวไหลมากไปทำให้เทพองค์หนึ่งเขาเดือดร้อนคนคนนี้เป็นเทพมาเกิดเป็นคนดีมากเขาช่วยเจ้าจนสำเร็จแล้วทำไมเจ้าไม่ไปเอารีบไปตกลงกับเขาเสียถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ช่วยเจ้าอีกในวันหน้าและจะลงโทษเจ้าด้วย พี่สาวเขาเล่าพลางก็ขนลุกไปทั้งสองแขนแล้วเขาก็กราบชั้นลงมาที่ตักแล้วพูดว่าขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนใจฉันเองก็ตกตะลึงไปพักหนึ่งจริงๆแทบไม่เชื่อว่าเราได้ยินจริงๆแล้วก็จนป่านนี้ฉันก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังถึงที่ฉันจุดทูบต่อว่าท่านเท้ามาหาพรมองค์ประกาศสิทธิเรานั่งกันอยู่สักพักก็มีคนลงมาจากชั้นบนบอกว่าขอเชิญขึ้นข้างบน พี่สาวเขาก็ขอให้ฉันขึ้นข้างบนฉันถามว่าขึ้นไปทำไมเขาไม่บอกอะไรนอกจากบอกว่าเดี๋ยวคุณน้าก็จะเห็นเองค่ะบ้านเขาใหญ่โตมากได้ความว่าปลูกสร้างเป็นเงินถึงหกล้านมีสระว่ายน้ำอย่างดีด้วยบ้านมีสี่ห้องนอนห้องโถงที่ขึ้นไปปูพรมสีแดงตลอดทั้งหลังสิ่งที่ฉันเห็นก็คือน้องชายเขานั่งอยู่บนอาสนะนุ่งห่มขาวตลอด กำลังนั่งยกแขนขึ้นชูทั้งสองข้างและง้ายมือออกไปข้างๆ้างมองดูตัวโตขึ้นเยอะข้างหลังเขามีที่บูชาใหญ่มีพระพุทธรูปสมัยทลาวดีเก่าแก่จริงๆเต็มไปหมดนับจริงๆก็คงอยู่ในราวร้อยกว่าองค์พี่สาวเขาพาฉันเข้าไปใกล้ๆแล้วลงไปกราบร่างน้องชายเขาก่อนบอกว่าขอประธานพรเพคะ น้องชายเขาก็ลดมือลงมาเอานิ้วชี้ใส่ที่หูแล้วเอาหัวแม่มือแตะที่หน้าผากแล้วพูดภาษาเทพแล้วก็ถึงตัวฉันซึ่งเขาบอกให้เข้าไปทำอย่างเขาฉันก็เข้าไปกราบแล้วเงยหน้าขึ้นคอยให้เขาทาแบบพี่สาวแต่ร่างนั้นกลับหันไปหยิบดอกบัวมาดอกหนึ่งมาวางบนศีรษะแล้วก็ให้พรเป็นภาษาเทพแล้วพูดว่าอยากจะพบสู่เจ้ามานานแล้ว ขอบใจนะที่ช่วยเหลือคนของเราสู่เจ้าไม่ต้องร้อนใจอีกต่อไปงานทุกอย่างจะเรียบร้อยตามสัญญาสู่เจ้าจะไม่ต้องต่อว่าเราอีกต่อไปมีอะไรอยากจะถามเราไหมฉันกำลังงงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อึดอัดอยู่คิดไม่ออกว่าจะถามอะไรคิดได้ว่าทำไมประธานพรไม่เหมือนกันก็เลยถามไปว่าเพราะเหตุไรท่านจึงประธานพรคนละแบบ ร่างนั้นตอบว่าเพราะสู่เจ้าเป็นเทพเหมือนกันจึงต้องใช้ดอกบัวแทนนิ้วและบอกอีกว่าสู่เจ้าเกิดมาเพื่อเสริมสร้างบา ร, รมีจิตของสู่เจ้าเป็นกุศลต่อคนทั่วไปต่อไปจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วสู่เจ้าจะกลับไปอยู่วิมานซึ่งทิ้งอยู่ข้างบนมาตลอดไปแล้วบ้านที่สู่เจ้าอยู่เดี๋ยวจะดีมากวิมานที่สร้างไว้บนเนินอย่าให้ใครใส่รองเท้าขึ้นไปนะ ให้ถือเป็นรัศมีของวิมานที่วิมานที่เทพเจ้ามาสถิตยอยู่สองตนบอกชื่อให้ด้วยแต่ขอไม่เอ่ยในที่นี้ให้หมั่นบูชาดีๆจะสมบูรณ์พูนสุขเพราะสู่เจ้าเป็นผู้ที่มีจิตอันบริสุทธิ์เทพเจ้าจึงทรงคุ้มครองรักษาส่วนคุณกฤิพอเข้าไปกราบก็เอานิ้วมือมาทำแบบพี่สาวเขาแล้วหัวเราะหึหว่าเออรักกันดีจริงนะอุตส่าห์ตามลงมาเกิด แล้วถามคุณกฤตว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นยามเฝ้าเทวสถานหลงรักเมียพระอินพอเห็นเมียพระอินหนีลงมาเกิดเจ้าก็ห น, นีตามลงมาเกิดเพื่อจะมาเป็นคู่กันดีดีอยู่เย็นเป็นสุขดีแต่จำไว้นะเจ้าต้องรีบกลับไปก่อนเขาไปทำหน้าที่ต่อท่านบอกกับคุณกฤตเจ้าหนีลงมาเดี๋ยวเดียวไม่เป็นไรเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ ฉันนึกถึงทีไรก็ยังประหลาดใจทุกทีเพราะข้อหนึ่งฉันไม่เคยรู้ว่ามีพระพรมกี่องค์องค์ใดชื่อใดข้อสองวันที่ฉันได้ยินเสียงกระซิบแล้วฉันจุดธูปก็จุดไปพูดไปทั้งๆที่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งข้อสแต่เมื่อลูกค้าคนนี้กลับมาก็เชื่อมากขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีตัวตนของท่านเท้ามาหาพรหมองค์ประกาศสิทธิข้อสี่ แต่แล้วเหตุการณ์ต่างๆกลายเป็นความจริงขึ้นมาหมดเพราะการที่ฉันจุดทูปต่อว่าฉันก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่แล้วทำไมพี่สาวเขาถึงมาเล่าว่าถูกท่านบังคับและร่างก็บอกด้วยข้อหมาบัดนี้คุณกริตก็ได้กลับไปทาหน้าที่ต่อที่ข้างบนแล้วตามที่ท่านได้บอกจริงๆปรากฏการเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครบ้างหรือเปล่า แต่สำหรับตัวฉันแล้วเกิดขึ้นบ่อยจนนับไม่ท้วนแล้วเมื่อนึกทบทวนได้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปตอนเห็นเพียงหนึ่งมนุษย์เราเกิดมาฉันสำนึกอยู่เสมอว่าตางมีวิญญาณเดียวแต่เมื่อมาเกิดใหม่ที่หนึ่งก็เปลี่ยนสังขารไปเท่านั้นในอดีตชาติถ้าเราไปทำกรรมใดไว้พอมาถึงชาตินี้เราก็ต้องชดใช้กรรมนั้นเมื่อถึงเวลา จะหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ไม่พ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ได้แก่ตัวฉันเองเป็นต้นระยะนั้นจิตสำนึกฉันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าระวังนะจะเสียของรักฉันก็ไม่รู้ว่าจะเสียอะไรลูกก็รักสามีก็รักหลานก็รักก็คอยจะเตือนพวกเขาให้ระวังตัวขับรถขับราก็ให้ระวังให้มากๆหารู้ไม่ว่าตลอดเวลาเราระวังผิด เพราะว่าเรื่องมันเป็นดังนี้วันนั้นฉันจำได้ดีว่าเป็นวันเสาร์ฉันได้นำเครื่องเพชรสี่ชุดไปล้างที่ร้านเพชรมีอยู่ชุดหนึ่งเป็นแหวนไพลินล้อมเพชรและสร้อยมือเป็นเพชรขั้นสี่เม็ดไพลินเม็ดหนึ่งขั้นกันเป็นระยะเจ้าของร้านฟลอเรนทีนซึ่งเป็นร้านที่ฉันนาเพชรไปล้างได้ขอซื้อแหวนในราคาเจ็ดหมื่นเรื่องนี้สิบปีผ่านมาแล้ว ฉันก็ไม่ขายเพราะรักมากไพลินขเขมรหนักเจ็ดกรัตล้อมเพชรอีกร้อยสิบสี่เมตรขากลับบ้านระหว่างทางฉันก็เล่าให้ลูกสาวคนรองซึ่งไปด้วยกันฟังว่าดูสิแหวนวงนี้แม่ซื้อมาสาม0 0ื่นห้าเท่านั้นนี่เมื่อกี้ฟอร์เรนตีนขอซื้อตั้งเจ็ด0มื่นลูกสาวก็บอกว่าคุณแม่อย่าขายเลยค่ะวงนี้สวยมากฉันก็บอกว่า แม่ไม่ขายหลอกกว่าจะหาได้อย่างนี้หายากจะตายระหว่างที่คุยกันในรถเชื่อว่าคนขับรถที่ชื่อชูคงได้ยินเมื่อกลับถึงบ้านฉันก็เปิดเซฟเก็บของก็พอดีมีแขกเป็นภรรยาอธิบดีกรมหนึ่งมาหารออยู่ข้างล่างฉันก็เลยไม่ทันเปิดเซฟเพราะมีรหัสและไม่อยากให้แขกคอยก็เลยแค่ไขกุญแจเปิดตู้แล้ววางของทั้งสี่ถุงใ่นี้ไว้บนหลังตู้เซฟ แล้วปิดกุญแจตู้แล้วก็รีบลงไปขณะที่คุยอยู่กับแขกได้สักครึ่งชั่วโมงเจ้าชูคนรถก็มาขออนุญาตเอารถกาแลน์ไปอัดฉีดและขอเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งฉันถามว่าแกจะไปนานสักเท่าไหร่เผื่อเดี๋ยวนายจะไปข้างนอกคนรถตอบว่าสองชั่วโมงก็แล้วครับฉันก็อนุญาตให้ไปวันนั้นแทนที่จะได้คุยกันเฉยๆ กบกลายเป็นโทรศัพท์เรียกเพื่อนๆมาอีกสามถึงสี่คนเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงฉันก็ไม่รู้ตัวพอดีมีโทรศัพท์มาจากคุณกลิตบอกว่าวันนี้ไปรับลูกสาวที่ทำงานไม่ได้จะไปซ้อมกอล์ฟให้ชูไปรับลูกแทนด้วยฉันจึงเพิ่งนึกได้ว่าเวลามันผ่านไปตั้งสี่ห้าชั่วโมงแล้วเจ้าชูยังไม่นำรถกลับมาเลยก็โทรศัพท์ไปตามที่ร้านยางก็ได้ความว่า เจ้าชูไปเอายางใส่รถสองเส้นตั้งแต่เช้าแล้วและก็ไปตั้งนานแล้วด้วยฉันโทรศัพท์ไปตามที่ร้านอัดฉีดก็บอกไม่ได้ไปฉันชักเอกใจจึงรีบโทรศัพท์ไปหาคุณกฤิให้แจ้งไปที่ศูนย์กองปราบแต่ก็ไม่ได้ผลทันทีฉันก็นึกถึงเครื่องเพชรขึ้นมาได้รีบขึ้นไปดูเมื่อเห็นกุญแจตู้วางอยู่บนหลังตู้ใจหายวาบทันที นึกด่าตัวเองว่าถ้าไม่เหลวไหลมากรีเปิดตู้ดูจริงๆด้วยถุงที่วางเรียงกันอยู่สี่ถุงนั้นหายไปหนึ่งถุงคือชุดไพลินนี่ทามันรั่วไปหมดฉันคงลมจับเพราะถุงที่ถัดไปก็คือแหวนมั่นเจ็ดกระดับวงเดิมที่คุณกฤิตให้ตรวจ ด, ดูสิ่งต่างๆก็มีปืนหายไปสองกระบอกแหวนเพชรอีกส2องวงรวมเบ็ดเสร็จแล้วเจาชูเอาไปเกือบสา 0,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ด้วยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนขโมยเลยเมื่อโดนเข้าครั้งนี้เล่นเอาตกใจใจสั่นไปหมดแต่ก็ไม่ายแปลกใจว่าทำไมมันจึงเอาไปแค่ถุงเดียวเมื่อคุณกริตกลับมาก็รับหน้าที่เป็นคนไปแจ้งความที่สถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ตารวจก็มาตรวจดูสถานที่จดปากคําและรูปพรรณของชุดไพรินไป เจ้าชูมันทิ้งเมียมันที่กําลังท้องอยู่ที่บ้านฉันเห็นแล้วก็เวทนาเมียมันทีแรกก็ตั้งใจจะลงรูปประกาศทางหนังสือพิมพ์แต่มาคิดถึงลูกเมียมันและคิดว่าเป็นคราวที่เราจะต้องใช้กเก่าเป็นแน่จึงไม่ได้ประกาศจับแต่ยังไงยังไงก็ไม่หวยข้องใจว่าทําไมมันเอาไปแค่ถุงเดียวไอเรื่องที่ขโมยแล้วไม่มีทางที่มันจะคิดเมตตาเราแต่นี่มันเป็นเพราะเหตุไร ฉันคิดอยู่ไม่รู้หยุดจู่ๆที่หูก็บอกว่าเจ้าที่ท่านช่วยบังไว้ไม่ให้เห็นอีกสามถุงเพราะท่านเมตตาเราฉันก็เกิดไม่เชื่อหูจึงไปหาท่านหลวงพ่อวัดพรับให้ท่านนั่งทางในดูท่านก็บอกอย่างเดียวกับที่ได้ยินคือเทพท่านบังให้มันไม่เห็นที่เหลือฉันก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งฉันเก็บความสงสัยไว้จนสี่ปีล่วงไปสายๆวันหนึ่ง ลูกชายฉันโทรศัพท์มาจากสถานีตำรวจปทุมวันบอกว่าจับเจ้าชูได้แล้วเพราะมันชละใจที่เราไม่ประกาศจับเลยเข้ามาทำงานขับรถให้บริษัทหนึ่งในกรุงเทพเวลานี้มันอยู่ในห้องถังแล้วมันแปลกจริงๆที่ฉันเสียของไปตั้งสองสแสนกลับไม่สนใจสนใจอยู่แค่เรื่องเดียวว่าเอาละ่ะจะต้องถามเจ้าตัวการมันดูให้รู้ซิว่า ทำไมมันถึงเอาไปแค่ถุงเดียวลุงขึ้นฉันก็ไปที่สถานีตํารวจเจ้าชูหน้าซีดทีเดียวมันยกมือไหว้ขอโทษแล้วบอกจะใช้ให้ฉันก็ว่าสมน้ําหน้ายังแกจะเอาของเหล่านั้นมาคืนให้ได้ยังไงว่าแต่ว่าฉันอยากรู้ว่าตอนที่ขโมยเครื่องเพชรฉันไปน่ะฉันอยากรู้ว่าแกเห็นกี่ถุงเจ้าชูบอกว่าผมเห็นมีอยู่ถุงเดียวเท่านั้นครับฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเอง ว่ามันตอบแบบนี้รู้สึกโล่งอกยางปรลาดทีเดียวรู้สึกตัวด้วยความปิติว่าผลบุญที่ไม่เคยทำบาปหรือคิดร้ายกับใครตลอดชีวิตเท่าที่จําได้ก็มีแต่การให้มีความสุขที่จะให้และมีแต่ความเมตตาคนบุญจึงรักษาเราให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าความคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธินั้นมีอยู่แน่นอนในโลกนี้ท่านผู้ใดที่ไม่เชื่อเรื่องพันนี้ ก็ขอให้เชื่อและพยายามปฏิบัติตนให้อยู่ในสัจจะและอยู่ในศีลธรรมความดีเถิดแล้วบุญย่อมรักษาท่านแน่อย่างไม่ต้องสงสัยในที่สุดเจ้าชูก็ถูกสรารตัดสินจำคุกห้าปีป่านี้คงออกมาลอยนวลอาจจะเข็ดหลากกลับตัวได้หรือไม่ถ้ามันยังมีกรรมอยู่ก็อาจจะกำลังไปขโมยของใครอยู่ก็ไม่รู้ได้ลักษณะของมันจาได้ง่ายมาก หน้าตาดีผอมสูงผมดำตาดำฉลาดเฉลียวใช้งานได้สารพัดพิมดิ ก, ก็ได้ใครได้ไปจะรักมันทุกคนและที่ควรจะจำไว้ก็คือมันพูดติดอ่างอย่างมากระวังก็แล้วกันท่านผู้ใดเจอคนลักษณะนี้แล้วก็หนีไปไกลๆเลยจะดีที่สุดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช้ชื่อชูแล้วสำหรับฉันฉันก็ต้องปรงและคิดว่าเมื่อถึงคราวอะไรมันเกิด ให้ระวังอย่างไรมันก็เกิดจนได้เพราะผลของกรรมเก่าตามมาให้เราชดใช้ก็จงก้มหน้ายอมรับไปโดยดีและพยายามสร้างกรรมดีไว้มากๆและทาจิตให้เป็นสมาธิวางอุเบกขาต่อสิ่งต่างๆที่พบแล้วทำให้ไม่พอใจให้เป็นสิ่งสมมุติให้หมดเพื่อที่จะได้พ้นเคราะห์พ้นกรรมอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอีกให้ยึดถือเพียงสติปัจจุบันสมมุติ สามอย่างนี้ก็พอแล้วสติหมายถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเราจะไม่โกรธไม่โวยวายหรือล่ำร้องคล่ำครวนต้องคิดว่านี่เป็นเพราะมันจะต้องเกิดอะไรก็ห้ามไม่ได้ปัจจุบันหมายถึงเราจงอยู่และมีชีวิตอยู่เพียงครั้งละหนึ่งวันคือปัจจุบันเท่านั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอนาคตเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ที่เราอาจจะไม่อยู่ถึงวันพรุ่งนี้แต่ปัจจุบันเรายังอยู่จงทาบุญสุนทานประกอบแต่กรรมดีคบคนดีประกอบอาชีพด้วยความไม่ประมาทสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้ตั้งอยู่ในศีลในสัจจะและธรรมะสุดท้ายคือสมมุติหมายถึงเราจงคิดไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็คือสิ่งสมมติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือใหญ่โตกว่านั้นก็คือสิ่งสมมุติให้เห็นถ้าถึงคราวจะเสียก็เสียสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรเพราะสิ่งที่เสียก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็แค่สิ่งสมมุติฉะนั้นถ้าเราปรงได้ว่าไม่ว่าลูกผัวล้านเหลนรวมทั้งตัวเราเป็นเพียงสิ่งสมมุติอะไรๆมันจะไม่เกิดความสาคัญ หรือทำให้เราหวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเลยแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่บนความสมมุติได้โดยมีความสุขใจไม่หวั่นไหวและกระทบกระเทือนน้อยที่สุดตอนหลวงพ่อพุทธนวลิศในบรรดาเพื่อนซึ่งเป็นทั้งเพื่อนคุณกฤิตและเคยร่วมขบวนการเสรีไทยมาด้วยกันมีอยู่คู่หนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อ มีภรรยาอายุอ่อนกว่าฉันสิบกว่าปีแต่เป็นคนธรรมะธรรมโมจนนั่งสมาธิได้เห็นดวงแก้วแบบธรรมกายแล้วเช้าวันหนึ่งน้องสาวคนนี้เล่าว่ามีเนนอง์หนึ่งเนนองค์นี้อายุสิบหกปีเท่านั้นได้ดันดนมาจากจังหวัดเชียงรายขึ้นมาตามนิมิตมาหาจนพบบ้านคุณน้องสาวเมื่อได้พบคุณน้องสาวแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนนได้นั่งกรรมาฐาน แล้วเห็นสถานที่ที่หนึ่งมีลักษณะเป็นเมืองเก่ามีคูขุดรอบเมืองถึงสองชั้นสมัยโบราณจะใช้คูคลองป้องกันศัตรูและในนิมิตนั้นก็บอกว่าที่ตรงนี้จะกลับเจริญขึ้นมาอีกครั้งถ้าได้เจ้าหญิงวะไลปทุมมาลาซึ่งเคยคลองเมืองนี้มาบุรณนะโดยการเริ่มสร้างพระก่อนเน้นบอกด้วยว่าในนิมิตนั้นบอกไว้ดังนี้ เจ้าหญิงวะไลปทุมมาลาได้มาเกิดแล้วและยังเป็นคนใจบุญสุนทานอย่างเดิมให้ไปหาเธอแล้วจะได้สร้างพระจริงๆเนรมาเล่าให้คุณน้องสาวฟังเธอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในตอนแรกจึงได้โทรศัพท์มาถามและปรึกษาฉันจิตฉันก็บอกว่าเชื่อได้แต่ให้ถามไายเพิ่มเติมให้ท่วนถี่กว่านี้เพราะแม้ว่าเนนองนี้จะเป็นคนแปลกหน้าก็จริง แต่พฤติการไม่ได้ส่อไปในทางมาร้ายเลยเพียงแต่มาขอให้ไปสร้างพระเท่านั้นลืมเล่าไปนิดหนึ่งว่าหลังจากเห็นในนิมิตแล้วเนียนได้เดินทางไปตามจิตนําก็ได้ไปพบสถานที่ที่เห็นในนิมิตไม่มีผิดได้มีการติดต่อประสานงานกันระยะหนึ่งระหว่างคุณ น, น้องสาวและญาติของคุณ น, น้องสาวซึ่งอยู่ทางเชียงรายในที่สุดก็ได้รับรู้ว่าเรื่องที่เนนมาหานี้ เป็นเรื่องที่มีมูลความจริงทั้งสิ้นน้องคนนี้ในชาติก่อนคือเจ้าหญิงวลัยปทุมมาลาก็ตกลงจะสร้างพระขึ้นณวัดเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายเช้าวันหนึ่งก่อนที่น้องสาวจะลงมือสร้างพระได้โทรศัพท์มาเล่าให้ฉันฟังและบอกว่าจะสร้างพระแบบเดียวกับที่มีอยู่ที่บ้านแต่จะสร้างให้ใ ห, ใหญ่กว่ามากขณะฉันพูดโทรศัพท์อยู่กับคุณน้องสาว ฉันก็เกิดมองเห็นพระแบบที่จะสร้างขึ้นมาทันทีฉันก็รีบบอกน้องสาวว่าน้องเอาพระมาดูซิแบบจะตรงกับที่พี่เห็นหรือเปล่าน้องสาวหยิบพระมาฉันก็บอกลักษณะของพระที่จะสร้างให้ฟังลักษณะหรือแบบพระนั้นฉันมองเห็นเป็นพระยืนก้าวเท้าออกไปก้าวหนึ่งแขนแนบองค์ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยกขึ้นในลักษณะประธานพร เห็นปลายจีวรด้านหลังคลี่จีบเน้นหยักที่เสียนมองดูเหมือนสวมหมวกมีขอบขึ้นเป็นกระทงโตรอบตรงกลางของหมวกมียอดแหลมขึ้นไปเป็นแบบหมวกหรือมงกุฎของฮองเต้พอฉันพูดเสร็จน้องสาวอยู่ทางโน้นร้องออกมาว่าตายตายพี่พูดออกมานี่ตรงกับแบบพระเปียบเลยค่ะแปลกจริงๆที่พี่เห็นได้อย่างไรอยากรู้จริงๆฉันก็ตอบว่า พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบทจะเห็นแล้วก็เห็นขึ้นมาเฉยๆแต่ถ้าอยากจะถามจะขอให้เห็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาบัดนี้พระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกสร้างและสมโพธิเรียบร้อยไปแล้วตั้งที่เชิงผาที่วัดเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายถวายนามท่านว่าหลวงพ่อพุทธนวริตซึ่งฉันมองเห็นหลังจากสร้างเสร็จแล้วว่าองค์ท่านเป็นสีขาวทั้งองค์ ตั้งแต่ยังไม่ได้เบิกพระเนธฉันได้โทรศัพท์ไปหาน้องสาวถามเธอดูเธอเองตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าที่สร้างนั้นเป็นสีอะไรตอนหลังเมื่อสอบถามไปทางโน้นเขาจึงยืนยันว่าเป็นสีขาวทั้งองค์ดังนั้นฉันก็เลยร่วมสมทบสร้างพระเนตรพระการและพาหาทั้งสองข้างพระเพลาทั้งสองข้างไปด้วยจํานวนเงินก้อนเล็กๆ เ, เพราะหลังจากมองเห็นท่านอย่างกระจ่างชัดแล้ว จิตก็บอกว่าให้ร่วมสร้างด้วยจะได้เจริญสุขฉันจึงปฏิบัติตามจบตอนหลวงพ่อพุทธนวลิตต่อไปเป็นตอนที่สองของคลิปนี้นะครับตอนกันหาชาลีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณพศ2526และเกิดขึ้นอย่างประหลาดที่สุดเพราะความประหลาดใจและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้จนต้องดันโดนไปหาท่านอาจารย์ให้ท่านนั่งทางในดู และจนได้ฟังท่านยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนั่นแหละฉันถึงได้เชื่อในบรรดาเพื่อนๆของฉันนั้นมีหลายรุ่นรุ่นแก่ถึง8ปดสิปีก็มีรุ่นหกสิบหรือรุ่นห้าสิบกว่าก็มีในจำนวนเหล่านี้มีอยู่คนหนึ่งนับเป็นเพื่อนรุ่นหลานคือเธอเรียกฉันว่าคุณอาและตัวเธอเองชื่อคุณสุมานมีอยู่ระยะหนึ่งเธอมาบน่บนๆให้ฉันฟังหลายหนว่าคุณอาคะ มูนี้หนูไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่ค่อยหลับทั้งๆที่ง่วงตาจะปิดแต่พอจะหลับก็รู้สึกเหมือนมีใครหรืออะไรก็ไม่รู้มาวนเวียนอยู่แถวหน้าลืมตามองก็ไม่เห็นอะไรทำให้ใจว้าวุ่นเลยตาแข็งเลยฉันฟังแล้วก็บอกว่าก่อนนอนไหว้พระหรือเปล่าเธอบอกว่าเปล่าฉันก็เตือนว่าอา้าวก็เพราะนอนไม่ไหว้พระไหว้เจ้าน่ะสิเลยทาให้เป็นอย่างนี้ คุณสุมานก็เถียงว่าก็แต่ไหนแต่ไรหนูก็นอนเลยไม่เคยไหว้พระก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็นึกในใจว่าเออจริงสิแล้วมาตอนนี้ทำไมถึงไม่หลับมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แต่ฉันก็ไม่รู้และไม่ได้ยินเสียงบอกอะไรก็เงียบกันไปอยู่ต่อมาวันหนึ่งเรานัดกันสี่ห้าคนในบรรดาที่มาก็มีเพื่อนของคุณสุมารคนหนึ่งชื่อคุณมนทานั่งอยู่ด้วย ซึ่งในตอนนั้นคุณมนธาเล่าขึ้นมาว่านี่เมื่อวานนี้นะหนูนั่งรถไปกับคุณสุมานผ่านรถใครเขาก็พากันมองมาที่หลังรถแล้วก็ชี้มือชี้ไม้จนหนูเอกใจจึงบอกให้หยุดรถเพื่อลงไปดูซิว่ามีอะไรติดอยู่ข้างหลังรถหรือเปล่าเมื่อลงไปดูจนทั่วก็ไม่มีอะไรแต่ผ่านใครเขาก็พากันมองอยู่ที่เก่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรซีขณะที่ฉันกาลังฟังเพื่อนพูดอยู่นั้น ทันทีฉันก็มองเห็นเด็กผู้หญิงอายุราวๆสามสี่ขวบแต่งตัวแบบเด็กโบราณคือนุ่งผ้าโจงกระเบนเป็นผ้าลายดอกพิกุลสีอิดใส่เสื้อคอกระเช้าแขนสั้นรอบคอเอาริบบิ้นร้อยแล้วมาผูกเป็นโบไว้บนบ่าทั้งสองข้างกล่าวผมจุกรอบจุกมีอะไรเห็นไม่ถนัดครอบไว้เห็นกระทั่งฝันซี่เล็กๆเป็นแมงกินทุกซี่ด้านฟันบน ซึ่งกำลังก้งโค้งก้นโด่งเกาะท้ายรถคุณสุมานฉันได้ร้องออกมาด้วยความตกใจว่าอุ๊ยเห็นแล้วเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกําลังเกาะท้ายรถหนูสุมานอยู่ทุกคนรวมทั้งคุณมนทาก็ร้องตายตายอะไรกันคุณอาเห็นได้ยังไงคนลุกหมดแล้วฉันก็ตอบไปว่าฉันเห็นจริงๆเห็นถนัดเลยเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงก็ฉันนั่งลืมตาอยู่แล้วเห็นไปได้ยังไงนี่ ในวันนั้นคุณสุมาลไม่ได้มาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รุ่งึ้นฉันก็โทรศัพท์ตั้งตัวคุณสุมาลมาพบแล้วก็พากันไปหาหลวงพ่อวิจิตที่วัดพลับฉันไม่ยอมเชื่อว่าตัวเองได้เห็นจริงคิดว่าคิดไปเองแล้วก็เกิดอุปทานจำเป็นที่จะต้องไปหาหลวงพ่อวัดพลับให้นั่งทางในดูพอเล่าให้ท่านฟังท่านนั่งหลับตาสักครู่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาหัวเราะบอกว่า คุณโยมเห็นจริงๆเจริญพรไม่ได้อุปทานหรอกแต่ที่คุณโยมเห็นนี่เป็นผู้หญิงยังมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายคู่นี้ชื่อกันหาชาลีสองคนนี้แต่ก่อนมีคนเลี้ยงดูเขาให้ของกินสม่ำเสมอมาตอนนี้เจ้าของเดิมเขาตายไปแล้วเขาอยากจะมาอยู่กับคุณท่านฉีไปที่คุณสุมานก็เลยมารบกวนต่างๆ แต่ของนี้อยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นแหละอยู่ในขวดใส่น้ำมันเอาไว้คุณสุมานนั่งฟังอย่างตั้งใจอย่างประหลาดพอท่านพูดจบคุณสุมานก็ขอนิมนต์ท่านไปดูที่บ้านเธอเพราะในบริเวณเดียวกันนั้นยังมีตึกใหญ่ซึ่งเป็นของท่านเจ้าพระยาและคุณหญิงซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ทางสามีของคุณสุมานอยู่อีกตึกหนึ่งแต่บัดนี้ท่านทั้งสองได้สิ้นไปแล้ว ตกลงวันรุ่งขึ้นคุณสุมานก็ไปรับหลวงพ่อวัดพลับมาฉันเพลงที่บ้านพ่อฉันเสร็จท่านก็ลุกขึ้นเดินดุ่มดุ่มจากตึกของคุณสุมาลขึ้นไปบนตึกใหญ่ซึ่งปิดเอาไว้ท่านเดินเข้าไปในตึกยังกับคุ้นเคยกับสถานที่เดินตรงไปที่ขวดเก็บกันหาชาลีซึ่งวางอยู่ที่ชั้นในห้องพระหยิบมาให้คุณสุมาลดูแล้วก็นํามาที่ตึกเล็ก ทำพิธีมอบให้คุณสุมานเป็นผู้รับทอดเลี้ยงดูเขาทั้งสองต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณสุมานก็นอนหลับสนิทดีและเวลาเช้าจะออกไปทำงานก็ต้องมีขนมต่างๆผลไม้บ้างทิ้งเอาไว้แล้วเรียกให้เขากินเป็นกิจวัตรประจำวันจนเลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ตอนตามหาคงจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ฉันได้เล่าถึงการที่ได้ไปเจ็บที่โรงพยาบาลและวิญญาณสามีเก่าจะมาเอาชีวิตของฉันไปและได้รอดมาได้ด้วยได้จดสีของท่านอาจารย์ชำนาญมีชัยต่อมาฉันได้ทำได้จดสีเส้นนั้นหายไปซึ่งฉันรู้สึกเสียดายอย่างบอกไม่ถูกและได้พยายามสืมหาอาจารย์ผู้นี้ซึ่งต่อมาได้หายไปจากซอยหลังสวน และไม่ได้ทิ้งข้อความหรือสั่งเจ้าของบ้านหลังนั้นไว้ด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนนับเวลาเกือบ20ปีซึ่งตลอดเวลาฉันเฝ้าแต่คิดถึงท่านและไม่ลืมพระคุณท่านเลยจนกระทั่งทุกวันนี้อยู่ๆหลานสาวฉันซึ่งขณะนี้เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นหุ้นใหญ่ในอมรินพลาซาที่ราชประสงค์ก็โทรศัพท์มาว่าคุณแม่เขาคือพี่สาวคนโตของฉันเจ็บหนัก ทำท่าเหมือนจะเป็นอัมพาตมานอนเจ็บอยู่ที่บ้านเขาเขาไปรับมาพยาบาลอยู่พอฉันทราบก็รีบไปเยี่ยมเห็นอาการแล้วก็ปรงอนิจจังว่ามนุษย์นี้หนอเกิดมาเพื่อใช้กรรมแท้เงินมีก็ช่วยไม่ได้รักษาไปเถิดทุกรูปแบบไม่ว่าใครว่าอะไรดีก็ทดลองกันไปเรื่อยอาการก็ทรงทรงสุดซอยู่อย่างนั้น ตอนนั้นเป็นระยะพอดีที่ฉันกำลังไปเฝ้าพ่อปู่ที่ซอย36สุขุมวิทฉันก็ขอให้พ่อปู่มาช่วยรักษาอยู่พักหนึ่งก็ค่อยยังชั่วโดยพ่อปู่ได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคเวโลกกรรมต้องได้พบกับผู้ที่เคยอุปถัมภ์กันมาแต่ชาติก่อนจึงจะรักษาหายได้ลูกสาวของพี่สาวฉันฉันขอเรียกว่าหนูแตงก็พยายามเข้าหาผู้ที่สามารถมองเห็น หรือชี้ทิศที่จะไปสืบหาผู้ที่จะรักษาให้แม่เขาได้หาแล้วหาอีกอยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาบอกว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่วัดในซอยโชคชัยสามลาดพร้าวติดกับโรงเรียนสตรีวิทยาสองท่านเก่งมากสามารถรักษาโรคที่เป็นอมาพาธได้หนูแตงก็จัดแจงไปพบพระองค์นั้นเมื่อเล่าอาการท่านก็บอกต้องไปนอนรักษาที่วัด เพราะต้องรักษาทุกวันหนูแตงก็เลยไปปลูกบ้านเล็กๆมีห้องนอนห้องหนึ่งห้องน้ำและเฉลียงหน้าบ้านเล็กๆสำหรับนั่งเล่นพอเขาสร้างเสร็จก็บอกฉันฉันก็ไปส่งพี่สาวด้วยก็ได้พบพระที่จะเป็นผู้รักษาทันทีที่ฉันเห็นพระองค์นี้ฉันมีความรู้สึกคลับคล้ายคับคล้าว่าเคยพบท่านมาก่อนแล้วแต่ที่ไหนจาไม่ได้จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งท่านนั่งอยู่องค์เดียว ฉันก็เดินเข้าไปหาท่านแล้วบอกความในใจว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเคยพบท่านมาก่อนแต่จำไม่ได้ท่านก็บอกเออาตจจมาก็คิดเหมือนคุณโยมนะว่าเคยพบมาก่อนแต่ไม่รู้ที่ไหนขณะนั้นพอดีคุณกริดขับรถเข้าไปในวัดเพื่อไปรับฉันและเป็นครั้งแรกที่คุณกริดไปที่วัดนี้พอคุณกริเห็นฉันนั่งอยู่กับท่านเธอก็ตรงมาหาพอกราบเสร็จเง่อยหน้าขึ้น คุณกริตก็ร้องออกมาว่าเอนี่ท่านอาจารย์ชำนาญใช่ไหมครับท่านก็บอกใช่จเจริญพรเอ๊ะนี่อาตมาจําได้ว่าคุณโยมเคยไปหาอาตมาที่ซอยหลังสวนบ่อยๆใช่ไหมคุณกฤิตก็บอกใช่ครับผมยังได้ไหมเจ็สีจากท่านเอาไปช่วยชีวิตภรรยาตอนที่สามีเก่าที่เสียไปจะมาเอาชีวิตท่านจําได้ไหมครับท่านอาจารย์ชำนาญดีใจใหญ่ยิ้มย่องผ่องใสเลยคุยกันใหญ่ ฉันเองพอได้ยินเท่านั้นก็ดีใจจนบอกไม่ถูกที่ได้พบอาจารย์ผู้ที่ฉันได้ติดตามมานับเป็น10สิบปีวันนั้นเลยถือโอกาสขอไหมเจ็ดสีจากท่านใหม่ท่านก็รับทำให้โดยดียังเผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานหมดทุกคนรวมทั้งของคุณกฤิดด้วยส่วนพี่สาวฉันก็หายวันหายคืนวิธีรักษาของท่านนอกจากนวดด้วยคาถาแล้วยังต้องหามไปเข้าห้องอบสมุนไพรทุกๆุกกวัน วันละ3านาทีและทานยาตำรับของท่านจนหายสนิทเดินเหินได้ในที่สุดบ้านที่ปลูกตอนรักษาตัวก็ยกให้วัดแล้วยังไปสร้างโรงครัวใหญ่ถวายให้วัดอีกหลังหนึ่งด้วยเป็นการตอบแทนที่ท่านได้กรุณารักษาให้จนหายดีเขียนถึงตรงนี้ทําให้ฉันได้คิดตกว่ามนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกนี้พอออกจากท้องก็ร้องไห้ประเดิมเสียแล้ว และยิ่งวันก็มีเรื่องร้อยทุกพันทุกเข้ามาได้ร้องไห้ต่อไปเป็นระยะแล้วแต่เวรกรรมเก่าจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก่อนที่จะเกิดมาพระพอมท่านก็ลิขิตขีดเส้นมาให้แล้วจะมาประกอบกับเราทําตัวของเราให้เป็นผู้ที่รู้แจ้งในธรรมะหรือจะปล่อยใจให้เป็นสุขกับกิเลสทั้งปวงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งตัวเราให้สูงขึ้นหรือกดเราให้ต่าลง สิ่งไรที่ถึงคราวจะได้มันก็จะต้องได้ถึงคราวจะดีก็ต้องได้ดีให้ช้างมาฉุดก็ต้องแพ้เราแต่ถ้าถึงคราวจะเสียก็ให้มีอันเป็นเรื่องเป็นราวเลี้ยววกมาถึงเราให้เสียจนได้ดูอย่างพี่สาวฉันใครเลยจะคิดว่าจะได้พบผู้ที่อุปถัมภ์กันมาแต่ชาติก่อนได้มารักษาให้แต่เมื่อถึงคราวจะหายก็มีอันให้ได้พบส่วนตัวของฉันเล่า แม้จะติดตามถามหาอาจารย์รูปนี้มาเป็นเวลานับสิบกว่าปีก็ให้คาดแคล้วพอบทจะได้พบก็พบได้อย่างเหลือเชื่ออย่างไม่คิดฝันเสียด้วยพรหมลิขิตนั้นมีแน่ไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อเราทำตัวไม่ดีแล้วอย่าโทษพระพรหมเพราะก่อนที่เราจะทำฮิลิโอตปะก็จะต้องเตือนเราก่อนเสมอแต่เรายอมให้อำนาจฝ่ายต่านาเราเองต่างหาก เราถึงจะได้พบความทุกข์สนองเราในเวลาต่อมาฉะนั้นจงโทษตัวเองแต่เหตุการณ์ใหญ่ๆ ใ, ในชีวิตนั้นพระพรหมท่านลิขิตให้มาแล้วอย่างแน่นอนขอจงประกอบกรรมดีไว้ด้วยเถิดพยายามซักฟอกชีวิตที่ผิดพลาดด้วยร้อยแปดสีให้ออกจากชีวิตจนเป็นผ้าขาวผืนเดิมดังที่เราติดตัวมาตั้งแต่เกิดให้มากเท่าที่จะมากได้ความตายไม่เลือกอายุ ไม่ใช่ว่าคนที่จะตายจะต้องเป็นคนแก่เท่านั้นหนุ่มสาวก็มีโอกาสตายเท่าๆกันเพราะฉะนั้นชีวิตเราทุกวันนี้หารู้ตัวไหมว่าเราเดินใกล้หลุมเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีใครรู้ทางที่จะช่วยเราให้ไปดีก็คือรีบเข้าหาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตัวด้วยสติเสมอ คนเราทุกคนใช่ว่าถ้าเป็นคนฉลาดมากล้นปัญญาดีก็พอแล้วแต่ถ้าทำอะไรลงไปโดยขาดสติก็มีหวังพังทุกรายยกตัวอย่างง่ายๆว่าสามีภรรยาทะเลาะกันโกรธกันรุนแรงความโมโหทวีคูณขึ้นเรื่อยๆคำพูดก็รุนแรงตามให้ฝ่ายตรงข้ามเจ็บช้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำถึงขนาดอดโมโหไม่ไหวจึงตบตีกัน ฝ่ายชายกำลังมากกว่าฝ่ายหญิงก็ต้องเจ็บทั้งกายและเจ็บทั้งใจซึ่งต่างคนต่างลืมไปสนิทว่าตนเป็นอะไรกันเคยรักกันมาแทบจะล้มตายถ้าไม่ได้มาแต่งงานกันแต่ในที่สุดความโมโหวความเจ็บความต้องการจะเอาชนะมีอะไรใกล้มือก็จับมาได้ไม้เอาไม้ได้ปืนเอาปืนได้มีดเอามีด ผลสุดท้ายถึงเลือดตกยางออกกันไปหนักหน่อยก็ถึงตายพอถึงขั้นนี้แล้วความโมโหจึงสงบสติเพิ่งจะเกิดแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนขอให้พยายามยึดสติไว้ให้มั่นอยู่เสมอไม่ว่าจะพูดจะทำจะคิดเพราะถ้าเราคิดเราทำเราพูดด้วยความมีสติแล้วขอรับรองว่าจะไม่มีวันเสียใจในการกระทาเป็นอันขาด ที่ถือโอกาสเตือนมานี้เพราะฉันเองทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ดีแต่บางครั้งความเมตตาความหวังดีต่อคนอื่นที่กำลังมีความทุกข์ก็ได้ความสงสารและอยากจะช่วยเหลือให้เขาคลายทุกข์ก็เผลอตัวเข้าไปช่วยเขาไปพัวพันกับเขาจนลืมตัวลืมใช้สติว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาจนกลายเป็นคล้ายกับว่าเราเข้าไปก้าวก่ในชีวิตครอบครัวของเขาเกินไป แต่สติได้เกิดและช่วยตัวเองไว้ให้วางมือก่อนที่เราจะเสียใจมากกว่านี้นี่ก็เป็นตัวอย่างได้อีกเรื่องหนึ่งว่าอันความหวังดีที่จะมีให้กับใครมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วยเหมือนกันถ้าผู้ที่เราหวังดีและปรารถนาเข้าไปช่วยเขามองเห็นเจตนาของเราและยอมรับด้วยความยินดีก็ดีไปแต่หากอยู่ เขาเกิดความรำคาญว่าเราไปยุ่งเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเขาเขา้าความดีความชอบที่เราควรจะได้รับจะกลายเป็นอาวุธแหลมที่เขาจะหยิบยื่นขึ้นมาให้เราแทนถึงเวลานั้นเราจะเสียใจขนาดไหนก็ลองคิดดูเอาเอง